50 languages. 22. 22. การสนทนาสามวุ้นคุณบหคฉันเคยสูบค่ะ มุ่งเน புகை ப ้ ட ி த ் த ิ க ิตொ ண ก่อนு ந ் த ேร்นเดแต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้วอ้อนอลอีปโผล่เด็กพิริปปะดิลเลรบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่ น, น้องผู้ใหญ்่ิจิตต์ว่าுงกัดกุตตลลยากะยิรุกุมะไม่เลยค่ะ இ ิ่งைล ல ் ல வ ே இ ล் ல ิ ล, ล, ล, ลย มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะอดนอลเยนักกุฏิตรทราอยินเลยคุณจะดื่มอะไรไหมคะนิิงกันเยดาวดกุด๊ดกี่รียกละบรันดีไหมคะโอ้ร์บรันดีไม่ค่ะดิฉันชอบเบียรมากกว่ายินเลยอิรันดอลโอ้ร์เบียร์ คุณเดินทางบ่อยไหมคะนิงกัลนิเรียกไปรษณีย์ใช่ไหหรืะลาบ่อยคะ่ะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจอ๋อมั้มอาจีกัมทัร์ลมุเรยิลดอนแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนออนอลอิปปุริน้องกัลวิดุมุเรยิลอิริกิโดมร้อนอะไรอย่างนี้ มிก வ ்ุ้ซูดா க இ กย க ்ริกิுใช่วันนี้ร้อนจริงๆอ๋อมอินดร์มีกบุ้งซูด க ๊อกยืนริกิเราไปที่ระเบียงกันเถอะบาลต์กนิีกเซลว์บุ้งบอร์งกันพรุ่งนี้จะมีงานเรื่นเริงที่นี่นா ள ைลยยิงกบัวเรื่ววิรันด์ยืนริกิระ คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะนีิงกล้มวรพูกเรื่องกละค่ะพวกเราได้รับเชิญด้วยอ๋อยังกะเลยยมอะไรติรนขึ้นร่ากั